ปริชาตสวรรค์จะเพิ่มเติมเรื่องปริชาตในสวรรค์ชั้นนี้คำนี้ได้เคยแปลมาบ้างว่าต้นทองหลังทิพย์ตามคำว่าโกวิลาระในอภิธานปพทีปิกาให้คำแปลคำว่าโกวิลาระไว้ว่าไม้ตึกไม้ทองกวาวไม้ทองหลงังในอดีตนิทานของพระอินเล่าไว้ว่าเมื่อพระอินเป็นมคมานพ ปลูกต้นโกวิลาระเพื่อให้เกิดร่มเงาเป็นฐานเป็นเหตุให้เกิดต้นปาริชาตในสวรรค์ในอภิธานปทีปิกาให้คำแปลของคำว่าโกวิลาร ะ, ปา ร, ะปาริชาตกะปาริชาตกะทั้งสมคำนี้ไว้อย่างเดียวกันว่าปาริชาตหรือต้นไม้สวรรค์ถ้าไม่ได้ให้คำแปลว่าท้องหลงังเหมือนคำว่าโกวิลาระในเมืองมนุษย์ แต่จะตรงกับต้นไม้อะไรในเมืองมนุษย์หรือมีต้นไม้อะไรในเมืองมนุษย์เรียกชื่อตรงกันเป็นเรื่องที่ผู้ต้องการจะรู้พึงค้นคว้าต่อไปท่านผู้ท่งเมตตาได้แจ้งมาว่าท่านได้สนใจคำว่าปริชาติท่านอ่านพบในหนังสือต่างๆเช่นเรื่องกามนิทเรื่องเวสันดรดอกของต้นไม้นี้มีส่วนสำคัญมากค้นหาที่ไหนๆก็ไม่ทราบว่า ตรงกับดอกไม้อะไรในเมืองไทยทราบแต่ว่ากลีบสีขาวก้านสีแดงมีกลิ่นหอมจับใจทำให้ระลึกชาติได้และบานร่วงลงจากกิ่งในเวลาพรบข่ำที่ระดอกสองดอกเรื่อยๆไปต่อมาได้ไปในงานพุทธชียนตีที่อินเดียเมื่อพศ2 4 9 9ได้ไปชมถ้ำอจันตาได้พบต้นกานิกาย่อมๆต้นหนึ่ง ที่เชิงเขาที่จะขึ้นไปยังท่านอาจันตาเกิดนึกอยากทราบว่าแขกเขาจะเรียกว่าอะไรเพราะกําลังสนุกที่ได้ทราบชื่อของสิ่งต่างๆทางโน้นที่เหมือนกับของเราหรืออีกในหนึ่งจะว่าที่ของเราเหมือนกับของเขาจะถูกกว่าจึงได้ให้นําใบกนิการนั้นมาช่อหนึ่งถามชื่อจากท่านศาสตราจารย์ผู้นําชมถ้ำท่านตอบทันทีว่าปริชาต์ต่อมาวันหนึ่ง ได้มีการเลี้ยงทูดอินเดียที่วังแห่งหนึ่งในเมืองไทยนี้ใกล้ๆศาลาที่เลี้ยงนั้นมีต้นกนิกาปลูกอยู่กำลังมีดอกบานหล่นอยู่เกลื่อนไปแขกที่ได้เห็นก็พากันชมจึงได้ถามสุภาพสตรีผู้หนึ่งว่าดอกไม้นี้เรียกปริชาติใช่หรือไม่เขาตอบว่าเรียกว่ากนิกาและไม่เคยทราบเรื่องชื่อปริชาตเลยแต่จะเป็นในขณะนั้นเอง หรือต่อมาภายหลังจำไม่ได้เสียแล้วมีปราชชาวอินเดียอีกคนหนึ่งอธิบายตอบคำถามนั้นที่ได้ถามเขาอีกว่าตามที่เขาเรียกกันนั้นถูกต้องทั้งสองชื่อคือดอกไม้นี้ชาวอินเดียบางภาคเรียกปริชาติบางภาคเรียกกนิกาคำอธิบายนี้พอเข้าใจตามได้เพราะเคยทราบมาว่าประเทศอินเดียมีภาษาพูดกันต่างๆหลายอย่างจนต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลาง ทั้งที่ไม่อยากจะใช้เลยคำชี้แจงของท่านผู้ส่งเมตตาข้างบนนี้เป็นมติหนึ่งเรื่องต้นปริชาตหรือปริชาตในเมืองมนุษย์ที่เรียกกันในปัจจุบันพระอินหรือเท้าสกะเทวราชได้เป็นที่นับถือในประเทศไทยมานานได้มีเล่าในตำนานเก่าหลายเรื่องว่าได้ลงมาช่วยในกิจการต่างๆที่สำคัญเช่นได้ลงมาช่วยหล่อพระพุทธชินราชเป็นต้น เพราะกิจการที่มนุษย์ทําไม่สําเร็จพระอินทร์ต้องลงมาช่วยจึงสําเร็จจึงเป็นกิจการที่สําคัญอย่างยิ่งแต่ในสมัยหลังจนถึงปัจจุบันนี้ยังไม่ปรากฏเป็นข่าวพิจารณาดูถึงสมัยปัจจุบันสิ่งที่ก่อสร้างขึ้นอย่างวิจิตปรประณีตเช่นวัดพระศรีรัตนาศาส ด, สดารามพระอุโบสถวัดเบญจมบพิตรสาเร็จขึ้นได้ก็ด้วยราชานุภาพของสมเด็จพระเจ้าแผ่นดินซึ่งเป็นพระอินทร์ คือเป็นจอมของนรชนในประเทศสิ่งที่เป็นของหลวงสร้างขึ้นทำขึ้นดีวิเศษกว่าสามัญ ท, ทั่วไปจึงไม่พ้นพระอินทร์ไม่ใช่พระอินทร์เมืองฟ้าก็ต้องอาศัยพระอินทร์ในเมืองมนุษย์ช่วยกิจการที่สำคัญสิ่งที่ดีวิเศษต่างๆจึงสำเร็จมีขึ้นนี้เป็นเขาเงื่อนที่น่าคิดว่าชไหนในตำนานเก่าๆ จึงเล่าถึงพระอินลงมาช่วยในเมื่อจะทำสิ่งที่สำคัญอยู่เสมอพระอินเป็นเจ้าแห่งสวรรค์ชั้นดาวดึงและสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาสวรรค์ทั้งสองชั้นนี้ตามภูมิศาสตร์โลกระบบเขาพระสุเมนก็ตั้งอยู่ในโลกนี้เองพระเขาพระสุเมนก็เป็นแกนกลางของโลกสวรรค์ชั้นดาวดึงตั้งอยู่บนเขาพระสุเมนก็ตั้งอยู่ยอดกลางของโลก ส่วนสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาก็ตั้งอยู่บนยอดเขาสตับริพันธ์สีทิศก็ตั้งอยู่รองต่ำลงมารอบเขาพระสุเมรุนั้นทั้งสองชั้นนี้จึงอยู่ในโลกนี้เท่ากับเป็นชาวโลกนี้ด้วยกันการไปมาหาสู่กันจึงน่าจะสะดวกกว่าสวรรค์ชั้นอื่นจึงปรากฏว่าเทพของสวรรค์สองชั้นนี้ได้ลงมาเกี่ยวข้องกับมนุษย์อยู่เสมอ ตามคมภีรโบราณที่มีคติความเชื่อในทางเดียวกันแในนานๆจึงจะมีมนุษย์ขึ้นไปถึงคราวหนึ่งแต่ก็เป็นมนุษย์ที่กล่าวในนิทานชาดกจะได้เล่าเรื่องสวรรค์ชั้นดาวดึงจากคำภีร์บาลีอีกสักต่อนหนึ่งก่อนที่จะได้สรุปเรื่องเล่าถึงสวรรค์ชั้นต่อไปในสัตตกนิบาตได้แสดงเป็นคำที่พระพุทธเจ้าตรัสเล่าไว้มีความสังเกตว่า ในสมัยที่ต้นโกวิลาระอันชื่อว่าปริชตกะผลัดใบและออกใบใหม่เจ็ดวาระพวกเทพชั้นดาวดึงก็พากันดีใจเมื่อวาระที่หนึ่งก็พากันหวังให้ถึงวาระที่สองที่สมเรื่อยไปจนถึงวาระที่เจซึ่งมีดอกบานสพรั่งก็พากันเริงสนุกที่โคนต้นโกวิลารัติบตลอดเวลาสเดือน ในตอนนี้แสดงอนุภาพของต้นโกวิลาระทิพย์ในขณะที่มีดอกบานสพรั่งว่ามีรัสมีสว่างกินเนื้อที่50โยต์โดยรอบและมีกลิ่นหอมโชยไปตามลมถึง100ยโยต์ต่อไปก็แสดงเปรียบกับอริยสาวกผู้ปฏิบัติธรรมตั้งแต่ออกบวชรวมเจ็วาระคือวาระที่1ในสมัยที่โกวิลาระทิพย์มีใบเหลืองหล่นจากต้น ก็เหมือนอย่างสมัยที่อริยาสาวกคิดจะออกบวชวรรคที่สองในสมัยที่โกวิลารถิปโกรนจะออกไปใหม่ก็เหมือนอย่างสมัยที่อริยาสาวกปลงผมและหนวดนุ่ง ผ, ผ้าย้อมน้ำฝาดออกจากเรือนบวชเป็นอนาคาริยะคือผู้ไม่มีเรือนวรรที่สในสมัยที่โกวิลารทิปผลิใบและดอกขึ้นพร้อมกัน ก็เหมือนอย่างสมัยที่อริยาสาวกปฏิบัติในสมาธิได้ปฐมฌานวรรที่4ในสมัยที่โกวิลาระทิปผลิใบและดอกขึ้นเห็นเป็นรูปใบใหม่ดอกใหม่ก็เหมือนอย่างสมัยที่อริยาสาวกปฏิบัติในสมาธิได้ทุติยฌานวรรที่5ในสมัยที่โกวิลาระทิปมีดอกตูม ออ h, 6, ก, ก, ก, ก็เหมือนอย่างสมัยที่อริยสาวกปฏิบัติในสมาธิได้ตติยฌานวรรที่หในสมัยที่โกวิลาระทิพมีดอกแก่เปล่งจะบานแต่ยังไม่บานก็เหมือนอย่างสมัยที่อริยสาวกปฏิบัติในสมาธิได้จตุฌานวรรที่7ในสมัยที่โกวิลาระทิพมีดอกบานเต็มที่ก็เหมือนอย่างสมัยที่อริยสาวกได้สำเร็จมิมุต หลุดพ้นจากอาสวะกิเลสทั้งหมดอีกตอนหนึ่งเล่าถึงเทวาสุรสงครามเทียบการปฏิบัติธรรมเช่นเดียวกันมีความสังเขตว่าเรื่องเคยมีมาแล้วได้เกิดสงครามเป็นศึกประชิดระหว่างเทพและอสุรในสงครามครั้งนั้นอสุรชนะเทพแพ้ล่าถอยขึ้นไปคือทางทิศเหนือซึ่งเป็นที่ตั้งนครดาวดึง อสุราก็รุกประชิดขึ้นไปพวกเทพเห็นอสุรารุกก็หันกลับไปต่อสู้ก็แพ้รุกและรับกันอยู่ดังนี้ถึงสามครั้งในครั้งที่สเทพถอยเข้าเทวนครก็รู้สึกอุ่นใจหายกลัวว่าได้เข้าสู่ที่ปลอดภัยอสุรทําอะไรไม่ได้แล้วพวกอสุราก็คิดว่าพวกเทพได้เข้าไปสู่ที่ซึ่งพวกตนทําอะไรไม่ได้แล้ว ในในสงครามอีกครั้งหนึ่งเทพชนะพวกอสุรแพ้ล่าถอยลงไปคือทางทิตศใต้ซึ่งเป็นที่ตั้งอสุรบุรีพวกเทพก็รุกประชิดลงไปอสุรก็กลับรับแล้วก็ถอยแล้วก็กลับรับถึงสามครั้งในครั้งที่สพวกอสุรถอยเข้าอสุรบุรีก็อุ่นใจหายกลัวว่าได้เข้าสู่ที่ปลอดภัย เทพทำอะไรไม่ได้แล้วพวกเทพก็คิดว่าพวกอสุรได้เข้าไปสู่ที่ซึ่งพวกตนทำอะไรไม่ได้แล้วคือเมืองทั้งสองจึงชื่อว่าอาุชเชบรีหรืออยุธยาแปลว่าเมืองที่ข่าศึกรบไม่ชนะแม้ภิกษุผู้ปฏิบัติธรรมก็จะต้องเข้าสู่ที่ปลอดภัยจากกิเลสเชน่นเดียวกันคือเมื่อได้สมาธิจนถึงรูปฌานที่หนึ่ง ที่สองที่สามที่สี่ต่อไปถึงอรูปฌานที่หนึ่งที่สองที่สามที่สต่อไปถึงขั้นดับสัญญาเวทนาต่อไปถึงเกิดปัญญาเห็นแจ้งสิ้นอาสวะกิเลสทั้งหมดก็เหมือนอย่างได้เข้าที่ปลอดภัยโดยลำดับมารทำอะไรไม่ได้มารก็คิดเช่นเดียวกันว่าตนทำอะไรแก่ผู้ที่เข้าไปในที่ปลอดภัย เช่นนี้หาได้ไหมในคัมภีร์ชั้นบาลีที่เล่ามานี้และที่เคยเล่ามาแล้วจากสังยุตเป็นต้นการเล่าเรื่องสวรรค์ชั้นดาวดึงจับได้ว่าเพื่อยกมาเปรียบเทียบหรือสาธกธรรมอย่างนิทานชาดกขึ้นต้นว่าเรื่องเคยมีมาแล้วที่เล่าเป็นเรื่องปัจจุบันก็มีแต่ก็มุ่งแสดงธรรมเป็นประการสําคัญ ในคำพีชั้นหลังลงมาจึงเล่ามุ่งในทางประวัติพรนานาออกไปพิสดารสวรรค์6กชั้นมีมาในคำพีพระพุทธศาสนาแต่สองชั้นแรกจะมีเหมือนอย่างที่เล่าไว้นี้เพียงไรเป็นวิสัยของผู้มีทัศนญาณจะทราบได้ทเทพชั้นจาตุมหาราชิกาทเทพชั้นดาวดึงท่านว่ามีที่อยู่บนภูเขาบ้างในอากาศบ้าง และมีที่อยู่สืบต่อกันไปจนถึงภูเขาจักรวานคือภูเขาที่เป็นขอบจักรวานโดยรอบน่าจะเปรียบได้เหมือนอย่างขอบกระดงท่านวาสวรรค์ชั้นสูงขึ้นไปก็อยู่สืบกันไปจนถึงภูเขาจักรวานเช่นเดียวกันดูตามเขาความเชื่อของท่านว่าอยู่สูงตรงขึ้นไปจากยอดเขาสิเนรุหรือเขาซูเมนในอากาศ มีเขตแผ่ออกไปจนถึงแนวภูเขาจักรวาลจึงมีเขตเป็นวงกลมตั้งอยู่ซ้อนกันขึ้นไปโดยลำดับถ้านึกให้เป็นวัตถุก็น่าจะคลายตึกหรือเก่งจีนหลายๆชั้นตั้งแต่ชั้นที่3ขึ้นไปอยู่ในอากาศสูงกว่ายอดเขาซินเนอรุขึ้นไปมากถึงอย่างนั้นก็ยังอยู่ในเขตของจักรวาลนี้เกิดดับพร้อมกับจักรวาลนี้ทุกชั้นจึงต้องกาหนด เขตโดยรอบด้วยภูเขาจักรวาลถือจะอยู่ในอากาศสูงขึ้นไปเท่าไหร่ก็ต้องอยู่ในเขตนี้สวรรค์ชั้นยามาสวรรค์ชั้นที่3ชื่อว่ายามาหรือยามะแปลว่าสิ้นไปจากทุกข์หรือบรรลุทิพยสุขพร้อมพร่งอยู่สูงขึ้นไปจากสวรรค์ชั้นไตรตรึงหรือดาวดึงมาก เทพผู้เป็นราชาปกครองสวรรค์ชั้นนี้มีพระนามว่าสุยามะในไตรภูมิพระร่วงกล่าวว่าในชั้นฟ้านี้ไม่เห็นพระอาทิตย์เลยเพราะว่าอยู่สูงกว่าพระอาทิตย์มากแต่เทพชั้นนี้เห็นกันได้ด้วยรัศมีแก้วและด้วยรัศมีของเทพเองและจะรู้ว่ารุ่งหรือคำ่ำโดยอาศัยดอกไม้ทิพย์คือไม่เห็นดอกไม้บานจึงรู้ว่ารุ่ง เมื่อเห็นดอกไม้หุูจึกรัวค่ําเทพชั้นยามาไม่ปรากฏว่าได้ลงมาเกี่ยวข้องกับมนุษย์ไม่มีเรื่องอะไรเล่าไว้สวรรค์ชั้นดุสิตสวรรค์ชั้นที่สชื่อว่าตุสิตาหรือตุสิตะมักเรียกว่าชั้นดุสิตแปลว่ายินดีชื่นบานคือมีปีติอยู่ด้วยสิริสมบัติของตน อยู่สูงขึ้นไปจากสวรรค์ชั้นยามามากเป็นทวีคูณเทพผู้เป็นราชาปกครองสวรรค์ชั้นนี้มีพระนามว่าสันตุสิทธิ์ท่านว่าพระโพธิสัตว์ผู้สร้างโพธิสมภารที่จะลงมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในมนุษย์ย่อมสถิตอยู่ในชั้นฟ้านี้เทพในชั้นนี้เป็นผู้รู้บุญรู้ธรรมเพราะพระโพธิสัตว์ได้ทรงแสดงธรรมสั่งสอนเนื่งเนือง จะได้เล่าเรื่องพระโพธิสัตว์ตามคติความเชื่อดังกล่าวแทรกเข้าตอนนี้ทีเดียวท่านว่าความโกลาหลอย่างขนานใหญ่ของพวกเทวดาทั้งปวงมีอยู่สามสมัยคือสมัยเมื่อโลกจะวินาศสมัยเมื่อพระพุทธเจ้าจะอุบัติขึ้นสมัยเมื่อพระเจ้าจักรพรรดิจะเกิดขึ้นพระพุทธเจ้าของเราทั้งหลายในบัดนี้ก่อนที่จะได้ลงมาเกิดในโลก ได้ทรงเป็นพระโพธิสัตว์ประทับอยู่ในสวรรค์ชั้นดุสิตเมื่อการใกล้กำหนดที่จะจุติลงมาตรัสรู้เทวดาทั้งปวงก็เกิดโกลาหลพากันไปเฝ้าทูลอาราธนาพระโพธิสัตว์ให้จุติลงไปตรัสรู้พระโพธิสัตว์ได้ทรงตรวจดูสถานะ5อย่างคือการหนึ่งทวีปหนึ่งประเทศหนึ่งตระกูลหนึ่งมารดาและกำหนดอายุหนึ่ง การข้อที่1คือการแห่งอายุของมนุษย์ถ้ามนุษย์มีอายุมากเกินแสนปีขึ้นไปหรือต่ำกว่าร้อยปีลงมาก็ไม่ใช่การที่จะลงมาตรัสรู้เพราะยุคสมัยที่มนุษย์อายุมากไปก็ไม่อาจเห็นไตรรักษ์น้อยไปก็มีกิเลสหนามากไม่อาจเห็นธรรมแต่ในปัจจุบันนั้นเป็นยุคที่มนุษย์มีอายุร้อยปีจึงเป็นการที่จะลงมาตรัสรู้ได้ ทวีปข้อที่2คือทรงเห็นชมพูทวีปเหมาะที่จะลงมาตรัสรูประเทศข้อที่3คือทรงเห็นมชิมภประเทศคือท้องถิ่นร่วมกลางชมพูทวีปคือบัดนี้อยู่ในอินเดียปากีสถานเป็นส่วนมากเลยเข้าไปในเนปาลบ้างเช่นสถานที่ประสูตรอยู่ในเนปาลเป็นที่เหมาะตระกูลข้อที่สี่ ทรงเห็นสักยะราชตระกูลและพระเจ้าสุดโทธนะจะเป็นพระบิดาได้พระมารดาข้อที่หคือทรงเห็นพระนางสิริมหามายามีศีลและบา ร, รมีธรรมสมควรเป็นพระมารดาได้ทั้งจะมีพระชนสืบไปจากเวลาที่พระโอรสประสูตเพียงเจ็วันสัตว์อื่นไม่อาจอาศัยคับโพธระบังเกิดได้อีก รั้นพระโพธิสัตว์ทรงเห็นสถานะทั้งหมีครบบริบูรณ์แล้วจึงทรงรับอาราธนาของเทพทั้งปวงเหตุที่จะรู้ว่าพระโพธิสัตว์เทพใกล้จะจุตินั้นพระได้เกิดปุพานิมิตหประการแก่พระองค์คือ 1. ทิพยาบทผาที่ประดับพระกายเหี่ยวแห้ง 2. ทิพยาภูษาทรงมีสีเศร้าหมอง 3. พระเศโทไหลาจากพระกัจฉะคือรักแร้ 4. พระเศรีรากายปรากฏอาการชรา 5. มีพระหัทไทยเป็นทุกข์เนื่อยน่ายจากเทวโลกไม่ยินดีที่จะสถิตในทิพยะอาจพวกเทพจึงรู้ประจักษ์ว่าเทพองค์นี้คือองค์พระสั พ, พัญญูโพธิสัตว์เพราะถึงการจะจุติประจวบสมัยที่พระพุทธเจ้าจะอุบัติและเมื่อพระโพธิสัตว์เทพทรงรับอาราธนาแล้ว พวกเทพก็พากันแวดล้อมนําไปยังนันทวันแห่งสวรรค์ชั้นดุสิตนั้นเมื่อไปถึงสวนนันทวันแล้วพวกเทพก็นําเทพโพธิสัตว์ผู้จะจุติเที่ยวไปในนันทวันกล่าวว่าจุติจากที่นี้แล้วก็ขอให้ไปจงดีเถิดและตักเตือนให้ระลึกถึงโอกาสแห่งกุศลกรรมที่ได้ทําแล้วในการก่อน เทพธิด์ฟังคำเตือนของเทพผู้แวดล้อมก็ระลึกถึงกุศลกรรมไปในนันทวันก็จุติในขณะนั้นลงมาถือปฏิสนธิในครันของพระนางสิริมหามายาท่านว่าสวนนันทวันมีอยู่ในสวรรค์ทุกชั้นเป็นที่เทพผู้จะจุติไปเที่ยวชมและระลึกถึงความดีแล้วก็จุติไปในสวนนันทวันนั้น เทพผู้สหายก็จะพาเทพผู้จะจุจิตไปกล่าวอุยพรตักเตือนทํานองไปส่งในวาระสุดท้ายพระสีอริยะเมตไตรโพธิสัตว์ซึ่งมีกำหนดจะตรัสสรุ้เป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระองค์ที่ครบห้าในพัทรกับนี้ท่านว่าคือตามคติความเชื่อนี้ปัดนี้ประทับอยู่ในสวรรค์ชั้นดุสิตนี้รอเวลาที่จะลงมา ตัสรู้ในอนาคตสวรรค์ชั้นนิ ม, มานราดีสวรรค์ชัน้น5ชื่อว่านิ ม, มานรตีไทยเราเรียกว่านิ ม, มานราดีแปลว่าอภิรมยินดีในสิ่งที่นิรมิตขึ้นคือนอกจากทิพยารมที่ได้รับอยู่โดยปกติแล้วในเวลาที่ปรารถนาต้องการสิ่งใดก็นิรมิตสิ่งนั้นขึ้นอภิรมยินดี ได้เป็นส่วนอดรตหรือเป็นพิเศษพูดง่ายๆว่าอยากได้สิ่งใดก็นึกเอาได้เกิดเป็นสิ่งนั้นขึ้นดักใจนึกแต่จะมีขอบเขตเพียงไรท่านหาได้สแสดงไว้ไหมสวรรค์ชั้นนี้สูงขึ้นไปจากสวรรค์ชั้นดุสิตมากเทพผู้เป็นราชาปกครองไม่ปรากฏว่ามีนามพิเศษก็น่าจะเรียกเป็นกลางๆว่านิ ม, มานารตีเทวราช ไม่มีเรื่องเกี่ยวข้องเล่าถึงในคัมภีร์ทั้งหลายเช่นเดียวกับสวรรค์ชั้นยามาสวรรค์ชั้นปารณิมมิตวัสวดีสวรรค์ชั้นที่6ชื่อว่าปารณิมมิตวัสวตัตีเสียงไทยว่าปารณิมมิเตวัสวดีแปลว่าทำอำนาจของตนให้เป็นไปในโพคาทั้งหลายที่ผู้อื่นรู้ความคิดของจิตและนิมิตให้ ผู้ที่มาคอยเนิรมิตให้นั้นไม่มีกล่าวว่าเป็นพวกเทพไหนชั้นไหนคิดดูตามเขาความก็น่าจะเห็นว่าต้องการแสดงความสุขสูงขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งมีผู้มาคอยเนิรมิตสิ่งที่ใจปรารถนาให้ไม่ต้องเนิรมิตเอาเองเหมือนอย่างชั้นที่5แต่อีกในหนึ่งคำว่าทําอํานาจให้เป็นไปดูมีความว่าแผ่อํานาจไปครอบงา สิ่งที่ผู้อื่นเขาเนรมิตไว้คือใช้อำนาจไปครอบครองเหมือนอย่างคำว่าจากกักรวติหรือจักรพัฒน์แปลว่ายังจักให้เป็นไปคือใช้จักแผ่อำนาจไปครอบครองโลกในนี้ดูก็เหมาะกับเรื่องพญามารที่จะกล่าวต่อไปสวรรค์ชั้นนี้ยิ่งสูงขึ้นไปจากสวรรค์ชั้นนิมมานนรดีอีกมาก ท่านว่ามีเทพเป็นราชาผู้ปกครองอยู่สองฝ่ายคือเทวราชหรือเรียกนามตามชื่อของชั้นสวรรค์ว่าปรนิมิตวเสวตีเทวราชปกครองอยู่ฝ่ายหนึ่งพญามารเป็นเทวราชปกครองอยู่อีกฝ่ายหนึ่งเทวราชผู้ปกครองสวรรค์ชั้นนี้จึงมีอยู่สององค์แบ่งเป็นสองก๊กเรียกนามว่าปรนิมมิตวเสวตีเทวราชเหมือนกัน องหนึ่งไม่เป็นมารปกครองเทพที่ไม่เป็นมารด้วยกันแต่อีกองหนึ่งเป็นมารปกครองเทพที่เป็นมารด้วยกันฝ่ายที่ไม่เป็นมารไม่ค่อยมีเรื่องกล่าวถึงในคมภีทั้งหลายส่วนฝ่ายที่เป็นมารมีเรื่องกล่าวถึงมากอยู่องเทวราชเองเรียกโดยเฉพาะว่าปรนิมิตวสวรติมาราธิราชหรือคำไทยว่าพยามาราธิราช แม้จะแบ่งเป็นสองกก็ไม่มีเรื่องปรากฏในคัมภีร์ทั้งหลายว่าทั้งสองกกนี้ได้ทำสงครามกันเหมือนอย่างเทพและอสุรแห่งสวรรค์ชั้นไตรตรึงมีแต่เรื่องพญามารลงมาป้องกันรังควานความตรัสรู้ของพระโพธิสัตว์และพระสาวกทั้งหลายเมื่อพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้แล้วมารก็ยังมาเกี่ยวข้องอีกหลายคราว จนถึงมาทูลอาราธนาให้ปรินิพานสังเกตตามที่ท่านเล่าไว้ในคัมภีร์ทั้งหลายว่าเทวราชผู้เป็นมานี้มีความกลัวเป็นข้อสำคัญอยู่ข้อหนึ่งว่าตนจะสิ้นอำนาจครอบครองโลกไม่ประสงค์ให้ใครทั้งนั้นบนรรลุมรรคผลนิพานหรือจะเรียกว่าวิมุตต์หรือโมกธรรมก็ได้พูดง่ายๆก็คือไม่ประสงค์ให้ใครประสบความหลุดพ้นจากกองกิเลสเช่น ตัณหาอุปาทานหรือราคะโทสะโมหะและหลุดพ้นจากกองทุกข์มีเกิดแก่ตายเป็นต้นพูดอีกอย่างหนึ่งว่าไม่ประสงค์ให้ใครหลุดพ้นไปจากโลกเป็นโล ก, กุตระที่แปลว่าเหนือโลกก็คือผลโลกนั่นเองเพราะเมื่อผู้ใดผลโลกหมายถึงว่ามีจิตใจพ้นกิเลสดังกล่าวผู้นั้นก็พ้นอำนาจของมาน ซึ่งมารจะใช้อำนาจให้เป็นไปในผู้นั้นอีกไม่ได้ความเป็นสวั ส, วสดิ์คือเทียบกับจกักรวรรของมารก็หมดสิ้นไปฉะนั้นเมื่อพระโพ ธ, ธิสัตว์ทรงสแสวงหาโมกะธรรมทรงได้พบบ้างทรงดําเนินไปในทางจนถึงในราตรีที่จะตรัสรู้ท่านเล่าว่าพญามารได้มาป้องกัน ร, รังควานอย่างสุดกําลังพระโพ ธ, ธ, ธิสัตว์ก็ทรงระจญสู้อย่างเต็มที่ อย่างที่เรียกว่าเสี่ยงบา ร, รมีพูดอย่างสามัญว่าสู้ตายไม่ยอมถอยเช่นทรงอธิษฐานพระหทัยตั้งความเพียรแน่วแน่ว่าจะไม่ยอมลุกขึ้นจากที่ประทับจนกว่าจะได้บรรลุผลแม้ว่าเลือดเนื้อทั้งหมดจะเหือดแห้งไปเหลือแต่หนังเอ็นกระดูกก็ตามอาศัยพระบา ร, รมีที่ทรงบำเพ็ญมาเต็มเปี่ยมแล้วจึงทรงชนะมาร ทรงบำเพ็ญเพียรต่อไปจนได้ตรัสรู้แม้ต่อมาท่านก็เล่าว่ามารได้มาเกี่ยวข้องอีกมากครั้งแสดงว่ายังคอยติดตามหาช่องโอกาสอยู่เรื่อยเพราะพระพุทธเจ้าได้ทรงสอนเวไนยนิกอนให้พลนอำนาจของตนมากขึ้นทุกทีจึงไม่ปรารถนาจะให้พระองค์ดํารงพระชนอยู่นานและในที่สุดท่านก็เล่าว่าพระพุทธเจ้าทรงปรงพระชน มายุสังขารตามคำอาราธนาของมานั่นเองแต่ก็ทรงปรงในเมื่อได้ทรงบำเพ็ญพุทธกิจสำเร็จตามที่ได้ทรงตั้งพระไัยไว้แล้วพระยามาราธิราชเป็นเจ้ากกหนึ่งแห่งสวรรค์ชั้นที่6ก็จะต้องทำบุญไว้มากไม่ใช่นั้นก็จะไม่บังเกิดในสวรรค์ชั้นสูงนี้ได้แต่ก็ต้องเข้าใจว่าทำบุญเพียงเพื่อสวรรค์เท่านั้นดูก็ชอบกนอยู่ ท่านไม่กล่าวว่าพญามารได้มาขัดขวางใครที่ทําบุญเช่นทานศีลเป็นต้นเพื่อสวรรค์หรือที่เป็นภูมิเพียงเพื่อสวรรค์มาขัดขวางแต่ผู้ปฏิบัติเพื่อมักผลนิพพานเช่นพวกทํากรรมาฐานเพื่อสิ้นกิเลสเรื่องของมายังมีอีกมากแต่จะงดไว้ก่อนเป็นอันว่าสวรรค์ชั้นนี้แบ่งเป็นสองก๊กเหมือนอย่างขาวกับดา และมีเจ้าครองอยู่สององค์องค์ที่ลงมาเกี่ยวข้องในประวัติพระพุทธศาสนามากก็คือพยามารเรียกเต็มว่าปรนิมมิตวัสวัตตีเทวราชฝ่ายที่เป็นมารแห่งโล ก, กุตลธรรม